จะหายอยู่เราอยากจะพ้นทุกกันโดยทั้งๆที่ยังมีอคติเต็มไปหมด <c oughs> ให้สังเกตดูนะว่าเราอันนี้เป็นพื้นฐานสุดๆเลยพรูอเจาจะสอนร่ากายยุดเฉลิ่จเจริญกายยสุดเฉลิตแล้ววิจิตุเฉลิ่เจริญ วัจจีสุจริตละมะโนสุจ ร, จริตเจริญมโนสุจริตมโนสุจริต ก, ก็คือไม่มีอคติเนี่ยนี่คนบางคนเขาอู้ทำไม่ได้นั้นจะไปละยังไงจริงๆเห็นไหมตัวสติสัมปชัญญะตัวเป็นทั้งสติทั้งสัมปชัญญะเหล่านี้ยเป็นตัวสะสามตัวสะสามที่จะต้องไม่ทําให้อคติเหล่านี้เกิดขึ้น ถ้าเรามีอคติเสร็แล้วเนี่ยในในบ้านนั้นก็เอี่ยมเมื่อเราเอี่ยค่องต่อลูกก็ปฏิบัติต่อลูกไม่ถูกลูกก็ปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ถูกสามีก็ปฏิบัติต่อภรรยาไม่ถูกภรรยาก็ปฏิบัติต่อสามีไม่ถูกเจ้านายปฏิบัติต่อลูกน้องลูกน้องปฏิบัติต่อเจ้านายเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนครูอาจารย์ปฏิบัติต่อศิรษะศีรษะปฏิบัติต่อกูบาอาจารย์แม้พระสมปฏิบัติต่อพุทธบริษัทพุทธบริษัทปฏิบัติต่อผสงฆ์ก็ผิด เมื่อไปมีอคติเส้็แล้วเนี่ยมันก็มองมองไม่ตรงตามความจริงใช่ไหม <c oughs> มันก็เกิดฉันทางคติเมื่อเรามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นความดีความเด่นมันก็เกิดโทษาคติเมื่อมองจุดเสีย <c oughs> แล้วก็ย้ำมองตรงนั้นบ่อยๆมันก็เกิดโมหาคติเมื่อไม่แยกแยะพิจารณาจุดเด่นจุดด้ยอยยังไง ข้อดีข้อด้อยยังไงไม่พิจารณาแยกแยะองค์ประกอบของมนุษย์ซึ่งมีพฤติกรรมแต่ละครั้งแต่ละขณะคนบางคนก็อยู่กับเพื่อนไม่ดีแต่ก็อยู่กับภรรยาดีอยู่กับพี่ดีอยู่กับน้องดีอยู่พ่อแม่ดีบางคนไปทําำหยุดกับเจ้านายเขาทาให้ดีอะไรเงี้ยมนุษย์ก็ไม่แยกแยะเพราะขาดขาด <c oughs> ขาดปัญญาที่จะไปวิจัยเพราะมีบุญวิตริติบางคนก็กลัวทําว่ากลัวในที่นี้กลัวเสียชื่อเสียง กลัวว่าคนนั้นจะโกรธใช่าหมกลัวว่าพอคนคนนี้ใกล้ชิดเรากลัวว่าคนคนนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานกลัวอะไรเยอะแยะหมดเลยกลัวว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่สุดท้างก็เลยกลายเป็นพยาคติขึ้น ม, มองเห็นไหมว่าอคติไม่สามารถทำให้เราเดินเข้าสู่ทานกุศลได้ที่ถูกต้อง แม้ชั้นทานกุศลก็ไม่ถูกชั้นศีลกุศลก็ไม่ถูกแม้ภาวนากุศลก็ไม่ถูกไปเลยแบบไม่เป็นเลยมันนเจจ ะ, จะบำเพ็ญสู่ความพ้นทุกข์ได้อักติกินจบงานนี้ไปไม่รอดอยากค้นทุกข์โดยอุบายไม่ชอบกเรื <c oughs> ่องเห็นยัง <c oughs> ยางจะเป็นนี้แค่ตรงนี้แหละก็เป็นพื้นฐานวิธีการ <c oughs> ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเน่ย เราจะเห็นคนหลากหลายคนบางคนมีพฤติกรรมทางกายแบบไหนพฤติกรรมทางวาจาแบบไหนพฤติกรรมทางใจอย่างไงบางคนมีความรู้ด้านนี้อีกด้านนี้ไม่ดีไม่ดีนะี่ยมันจะมีแยกแยๆหมดเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมองคนแล้วขาดขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> ถ้าเราได้ชอบใครขึ้นมาก็ <c oughs> หัวปักหัวปากเลยเข้จมั้ยชอบเป็นกบ จุดด้อยก็ไปเลยไอ้ชังไอ้ขึ้นมาอีกเดียอ้ขึ้นมาโอ้โหกบจุดเด่นก็ไปเลยหรือว่าเฉยๆกับใครขึ้นมาก็ไม่สนใจไม่พิจารณาถ้ากลัวใครขึ้นมาก็ไม่อยากเข้าใพ่เลยใช่ <c oughs> อคติเต็มไปหมดใช่ไหมเราได้เราแทนที่จะได้ประโยชน์กับเสียไปยจริงไหม <c oughs> งั้นตรงนี้เป็นพื้นฐานการที่จะปฏิบัติธรรมะเขาถึงบอกว่า ฉันทะทานนางมีฉันทาคติในการให้ทานโทสะทานนางมีโทสาคติในการให้ทานโมหาทานางมีโมหาคติในการให้ทานมพยะทานางมีพยาคติในการให้ทานให้ทานไม่ถูกกุลังสถานังให้ทานตามประเพณีก็อยู่ในกลุ่มโมหาคติสังขสาทานนางให้ทานหวังสุขติโลกสวรรค์ก็อยู่ในโมหาคติ อยู่ในคติเหล่านี้แหละสมนัติทานนังให้ทานแล้วมันชื่นใจจึงชอบให้ให้เรามันชื่นใจไอ้ที่ให้มไม่ใช่อะไรเราติดชอบใจตรงที่มันชื่นใจมันสบายใจเลยเลนี้เห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้ไม่พ้นจากคติจริงไหมพระเจ้าตรจสสอนว่าในพระศาสนาเนี้ยมนุษย์พัฒนาคือจิตติลังการาทานัง ให้ทานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิตตกแต่งจิตพัฒนาไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาไปสู่สมถะไปสู่วิปัสสนาญาณเพื่อเห็นตามความเป็นจริงและทานทั้งหก อ, อย่างเจ็ดอย่างตั้งต้นเสียเข้าสู่ทานที่แท้จริงในศ า, าสนาของพินเจ้านี่เป็นการฝึกจริงๆเลยนะนี่เป็นปัจจัยกิดการพนทุกข์ นี่พูดก่อนหน้านั้นก็จะไม่ชัดหรอกต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกแล้วมันจะชัดนะต้องค่อยๆเรียงลําดับให้ชัดถึงจะเห็นถ้าอย่างนี้มันจะอ้อเราเริ่มเดินก็ถูกแล้วี่ต้องทําความเข้าใจเลยแล้วเราลัาพูดครั้งเดียวยากยากที่จะเข้าใจย้าแล้วย้ําอีกเจาะเข้าไปเรื่อยๆเจาะเข้าไปเรื่อยๆย้อนกลับไปย้อนกลับมาแล้วไปฝึกทํารื่องะข้าวตะข้าวแต่ที่จะเป็นเลยแต่เนี้ย นะครับนะครับอ้อเวลาบรรยายให้ความรู้คนก็ดีเราก็จะไม่มีอคติฟังเราก็จะจะเข้าเข้าใจชัดเจนและสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได้ด้วยที่สำคัญที่สุดตรงนี้นําไปฝึกฝนพัฒนาตนเองได้เข้าถึงจิตตารังกาลาฐานังจิตตารังกาลาสีลังจิตตารังกาลาภาวนาอย่างวาไว้เนี่ยก็ค mm ือ hmm. ทั้งศีลสมาธิปัญญายก็ฝึกขัดขัดกราวไปได้จริงๆริการกระทําพวกนี้เป็นไปเพื่อการ ขัดเกลมีอนุ ป, ปาานปริญญานิพานเป็นจุดหมายชัดเลยอย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีชั้นทากติโทสากติมหากติปยากติแล้วก็ไม่เป็นไปตามประเพณีซึ่งทุกวันนี้หลายหลายคนก็เนี่ยที่ให้ทานก็ติดเยอะไอ้หกอย่างเจ็ดอย่างนี่เลยใช่ไหม <c oughs> แม้แต่ไปในคือเราไม่สอนกันไม่แนะนำกันให้ชัดทีนี้ เอไปอ่านในตัวได์วิโดกนนโดเองก็มันก็เข้าใจยากนี่ยถ้ยอมรับเนี่ยมันจะต้องต้องศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วแล้วฝึกเห็นแล้วก็สามารถแยกแยะโลกใบนี้ได้ออกชัดขึ้นมันจะได้เห็ น, เ ห, นเห็นภาพเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยยังยังติดอยู่ในอ่คติยังติดอยู่ในประเพณียังติดหวังสุขติโลกสวรรค์ยังติดตรงที่ว่า มันสบายใจถามว่าถามดีว่าทําไมชอบไปวัดมันสบายใจทําไมชอบไปไหว้พระมันสบายใจดีอ่ะทำไมชอบให้ทานมันสบายใจทําไมต้องวันพระไปวัดไปสมาทานศีลมันสบายใจนี่ไงไเอ็สบายใจตัวเนี้ยโสมนาทานนั่นโสมนาศีหลังก็ว่าไปใช่ไหย มันมันสบายใจแค่นั้นแต่มันไม่ไปมันไม่เป็นไปเพื่อการกัรเกคือสบายใจเนี้ยเป็นกุศลแต่ใช่ไหมเจ้าคะแต่หรือไม่ใช่กุศลใช่ไหมคือตัวสบายใจมันมีสลับแต่จริงๆแล้วเป็นอกุศลเป็นทกุศลยังไงคือมันมันแค่สุขใจชื่นใจว่าเราได้บรรยากาศใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้สิ่งแวดล้อมใหม่มันไม่จําเจมันก็อยู่าบ้านไม่ไม่จําเจมันก็อยู่ในสังคม เห็นไหว่าบางคนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมมเนี่ยที่ชอบไปจัดตามคอดเนี่ยเพราะมันได้พวกมันสบายใจมันได้ไปสวดมนต์นัรู้ได้ไปนั่งพร้อมกันได้อะไรพร้อมกันเนี่ยมันสบายใจไงพอกลับมาบ้านก็เหงาไม่อยากอดิวเบื่อเหลือเกินเซ็งพอไปตรงนั้นมันสบายใจมันได้แค่นี้แต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลา ไม่ได้เป็นไปเพื่อการจ่ว่าเราจะคัดเราจะกําจัดราคะโทสะโมหะเนะเราไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่สบายใจสบายใจเป็นกุศลนะแบบใหม่ๆเนี่ยแต่พอไปติดมันอยู่เป็นอะไรเป็นอกุศลก็จหิงติดอยู่ไม่พัฒนาต่อเอาแค่สบายใจแทนที่จะพัฒนาไปสู่ความบรรทุกมไม่เอาที่มานี่มันสบายใจมาเห็นผ้าโอสบายใจเห็นผ้าท่านฉันอาหารสบายใจเห็นผ้าท่านเดินเรียบร้อย ถ้าเกิดเหตนผ้าท่านไม่เรียบร้อยกันมาโอ้ไม่เอาเลยไว้วันนี้ใช่ไหมเห็นนี่คือสบายใจก็เป็นการชอบไม่ชอบอยู่ใช่ไหมก็ก็แน่นอนคือกุศลแปลว่าสเปมันแปลว่าสบายใจกปลเลื้อก็ได้แต่ถ้ายินดีกันยินดีในสภาพใจแบบนี้ยินดีในความรู้สึกแบบนี้แล้วติดอยู่ในความรู้สึก่บบนี้จะเป็นอะไรมันก็หยุดอยู่ แ ม, แม้การติดอยู่ในสีติดอยู่ในสมาธิก็ยังชื่อว่าติดอยู่เพราะจริงๆมันยังมีสิ่งที่มันจะประณีตกว่าดีกว่าประเสริฐกว่า เ, เริ่มเห็นไหมว่าไม่เอียดจัดรู้สึกว่าละเอียดแล้ว <c oughs> เห็นไหมสงมนัก <c oughs> ทานนางมันก็ยังไม่ใช่แต่ก่อนให้ก็ดีใจขณนะนให้ก็เรื่มใจให้แล้วก็ชื่นใจอันนั้นมันใช่มันพ้นฐาน แต่ที่สุดจริงๆนั้นต้องเป็นไปเพื่อการขัดเกลเป็นไปเพื่อการสละกิเลสออกจริงๆนะมันไม่ใช่ไปแค่นั้นถามว่าความสบายใจจริงๆเนี่ยมันไอความสบายใจมันเป็นกุศลในขณะนั้นจริงๆแต่ว่าเอาและเราจะติดอยู่แค่ตรงนี้เราจะชอบใจมันแล้วก็ไม่พัฒนาต่อการหยุดอยู่ตรงนี้ถือเป็นความประมาณจมอยู่ด้วยพุทธศาสนา ไม่ได้หลักการไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้เพราะศาสนาหลักการจริงๆก็คือการสละการสละการสารอกใช่การตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตไปสู่สมถะทุกระดับคือความสงบในจิตไปสู่วิปัสสนาทุกระดับคือการรู้แจ้งเหจริงเข้าไปเห็นความไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอ น, าานัตตา แล้วนํามาซึ่งการถ่ายถอนกิเลสและกองทุกเข้าถึงอนุ ป, ปาทานไปนี่พังใช่ไหมล่ะอันนั้นมันเกินความสบายใจไปแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่อยู่แค่สบายใจมันอยู่แค่การว่าแม้ใจที่จะสบายก็ไม่มีเหลืออยู่ปลอดโปรง่งโลกเลยเป็นการดับเลยแก่าปลอดก็เรียกว่าสภาวะที่ปลอดปลอดจากทุกหรือไร้ทุกเลยไร้กังวลทุก ขนาดนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องต้องเข้าใจให้ชัดและเราก็จะเห็นว่าในสภาพสังคมเช่นนี้สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่กันอย่างนี้เราก็จะเข้าใจรู้ว่ามันเป็ น, น, นสภาพสังคมที่ที่แม้ให้ทานก็ยังออกจากกัคติไม่ได้ หรือบางคนอาจจะพัฒนาอาจอักิดได้บางสมควรก็ไปติดประเพณีบางคนก็เอาแลบก็ประเพณีทำมาก็รักษาประเพณีไว้ประเพณีในการเวียนเทียนประเพณีแห่เทียนประเพณีเข้าพรรษาออกพรรษาประเพณีกุฎสมการก็รติดแค่ตรงนั้นใช่ ไปสำคัญว่าการให้ทานช่วงพรรษามันได้บุญมากกว่าออกพรรษาสำคัญว่าไปให้ทานในวันพักแปดข้ามสิบห้าามันได้บุญก็ให้ทานวันธรรมดาใช่ไหมคิดอย่างนั้นด้วยเพราะว่ามันเทศกาลมันก็ไปทำกันอย่างงกรุตีสงการทีโอ้ยแบบมัน ญาติเราเป็นประสบความทุกข์ช่วงนี้แหละญาติเราจะถูกปลดปล่อยออกมารับส่วนบุญได้เลยไปอุทีส่ส่วนบุศลกันใหญ่เลยช่วงนั้นตั้งอาหารหวานข้าวเต๊มไม่หมดตามว่าต่างๆล้นพอวันธรรมดานนพระแม่แต่ไม่มีกิน่ใช่ไหมเนี่ยมันก็ประเพณีติดประเพณ อย่างถ้าศาสนาเทวานิยมก็การให้ทานเพื่อไปอยู่กับเทพาเจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรศักขสานทานการสุกติโลกสวรรค์นี่เขาได้แค่นี้ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีกระทำตามภาะบัญญัติของผู้ผู้ผู้เทวะาองค์การทั้งหลายก็ดี ก็เพื่อหวังไปสุคตนินี่ไอเดียตรงนี้นี่นนแหละการให้ทานการรักษาศีลการกระทาใดๆก็แล้วแต่ตามประเพณีการสวดมนต์อ้อนวอนทั้งหลายก็เพื่อจะได้ไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์นี่คือกลุ่มศักดาาิสิท์ฐานน่เป็นเยอะหัหยเยอะอืม มาไปกว่านั้นก็บอกว่ามันสบายใจพอสวดมวนต์แล้วรู้สึกมันโปร่งโลกนั่งกรรมฐ า, านแล้วมันสบายใจเลยนั่งไม่ได้หวังพ้นทุกข์เลยไม่ได้หวังขัดเกลเพื่อจะตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตไปสู่ตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อเข้าสู่ศีลสูส่สมาธิสู่ปัญญาตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตประดับจิตเพื่อไปสู่ศรัทธาเพื่อไปสู่วิริยะสู่สติสมาธิและปัญญา เพื่อไปสู่วิปัสสนาญาณตามระดับทุกระดับมันไม่ใช่มันไม่ใช่คิดอย่างนั้นเลยนะถ้ามีคิดอย่างนี้ก็เพียงว่าโอ้เวลานั่งกรรมฐานมันสบายใจเคือเด่นนะโอ้วันนี้สบายใจจริงกรรมฐานเันนั่งกรรมฐ า, ามนได้หนึ่งชั่วโมงโอ้วันนี้สาธยายธรรมะแล้วสบายใจนะจริงๆก็สาธยายธรรมะเพื่ออะไรขัดกลาร์ไปดูในวิโุตายตนาที่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่สาทยายธรรมะเมื่อเธอสาทยายธรรมะนั้นเน่ยเธอก็รู้แจ้งอัฏถานรู้แจ้งเนื้อความทั้งหมดเลยรู้แจ้งธรรมะจับประเด็นได้จับหลักได้เมื่อรู้แจ้งอัฏถาและธรรมะแล้วเนี่ยปลาโมดก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นปัสสติก็เกิดขึ้นสุขโสมนัสก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้น วิปัสสนาญาทั้งหลายก็เกิดขึ้นเป็นต้นนี้นี้ก็เป็นช่องทางแห่งการหลุดพ้นประการหนึ่งหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยที่ภายาไทยยังมีจุดหมายว่าหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อสบายใจอางคนสวดมนต์หน่อยจะสบายใจรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์ที่เป็นขการขัดกลาก็คือว่าสวดเพื่อรู้อัตถะ และรู้ว่าเป้าหมายที่สวดเนี่ยเพื่อรู้อัจฐารู้เนื้อความแล้วก็รู้ธรรมะรู้หลั ก, ลกจับหลักได้จับประเด็นได้จับใจความได้เข้าใจหลักปฏิบัติวางท่าทีทางใจได้ในขณะที่สาธยายประดุจหนึ่งว่ากําลังฟังพระเจ้าเทศเราจริงๆโปรดเราจริงๆแล้วก็ปลาโมดเกิดใช่ั้ยปีติเกิดความสงบเกิด สุบสมนะเกิดสมาธิตั้งมั่นถึงจิตเกิดเพราจิตตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์ปราศจากมนลทีมแล้วเดินปัญญาญานแทงตลอดแทงตลอดคือแทงตลอดอริยสัจอริยสัจไม่ใช่ไปแทงตลอดบทสวดใช่แทงตลอดอริยสัจ เ, เอ้ยแทงตลอดบทสวดมันรู้แจ้งอาาัตถะแล้วก็จับหลักจับประเด็นได้ก็คือธรรมะรู้อะไรเป็นผลรู้อะไรเป็นเหตุ แล้วก็มาสรุปลงในอริยสัจได้ในขณะที่สาทยานแล้วก็เดินมรรคสัจจะไดในขณะนั้นรู้ว่านี่เป็นทุกข์รู้นี่เป็นสมุทยัยรู้นี่เป็นจุดหมายนิโรธแล้วก็เดินประกอบมรรคสัจจะในขณนะนั้นเพื่อดำเนินสู่ น, นิโรธแล้วทำกิเลสให้หมดสิ้นจากขันธ์สัดฐานไดที่สาทยาไปบรรลุในขณะนั้นเลยขณะหนึน่งใช่ไหมนี่ จริงๆเงนเป้าหมายคือตรงนั้นวิจัยเป้าหมายแค่สวดยันจะขอทักกินามเลยสดทีิโสภกวาธรรมตมาสัมพโตวิชาจจรนาสังกโนสุขโตโลกวิทูนุตโรบริธรรมวสา ร, รทีโอสวดสบายใจไม่ใช่แค่นั้นเลย <c oughs> สวดรู้อัตถะรู้ธรรมะรู้เนื้อความรู้ความหมายรู้พุทธคุณจับประเด็นได้พคุณเนี่ย หมายถึงพระทุคุณข้อไหนแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นจับหลักเ ด, ดูสรุปประเด็นได้จัดใจความได้อันนี้เป็นเหตุอย่างนี้ผลยิ่งเกิดขึ้นโอ้โหพอรู้อัตถารู้ธรรมะปาโมดปีติปัสสธิสุขสมาธิเกิดขึ้ น, นอพรรอนมม ส, ส, สมาธิเกิดต่อด้วยอะไรปัญญาญาณสรุปลงในอริยาศาสตร์วนันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ปฏิบัติท้ยเข้าถึงความดับทุกโอเ้เจน เราก็ไม่ค่อยแนะนำกันว่าหลักการคืออย่างนี้ฟังธรรมะเทศศาสเทศเนี่ยก็เป้าหมายเพื่อแทงตลอดนี้สาธยายทรงจวมาสาธยายแล้วตรึกให้ควนธรรมะที่ทรงจามาวันได้ยางดีอัฏฐะากล้ากฏทั้งตลอดที่จามาได้ยังดีธรรมะจับหลักจับประเด็นได้อยางดีปราโมทย์ปีติปสสธิสุขสมาธิเกิด เดินมีปัศนาญาณแทงตลอดระยะสั้นอ <c oughs> อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อเข้าใจเบสเซ็ตอยนี้แล้วเนี่ยน่งเข้าน่งเข้าเอาละเอาไปฝึกเลยไปฝึกเลยเอาไปประพฤติปฏิบัติดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกสมมุติอย่างนีน้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นไปตามดับปุ๊บ พอจิตตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นที่เป็นฌานสมาบัติเป็นฐานเดินวิปัสสนายานต่อแทงตลอดอริยศาสตร์บรรลุอีกเงห้าอย่างเห็ น, นการหลุดพ้นเยอ ะ, ะหนึ่งคือความรำสองแสดงทำสามก็คือสาธยาทรงจำแล้วก็สาทยาย แสดงสาธยายพิการยังสาธยายคนเดียวคน <c oughs> สวดมนต์ <c oughs> แสดงทำเขาดีไงกําลังแสดงให้โยมฟังสาธยายหรือในสาธยายอยู่คนเดีย ว, นวในแบบหละปป๊อปป๊อปในนล้นก็สาธยาย <c oughs> คือเทศคนเดียวเทศให้ตัวเองฟังนั่นเองการไปสวดมนต์ก็คือการเทศให้ตนเองฟังเทวดาฟังมันผลพลอยได้แต่ตนเองฟังไป็นจุดหมายโดยตรงเข้าใจยางอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรึกทำเอามาตรึก ก็จำได้หมดแล้วก็ตึกให้ควรไปดาวลมดับเลยอัถฐะปรากฏธรรมะปรากฏปราโมดปีติปัปสทธิสุขสมาธิปัญญายาณเกิดแทนตว ร, ริยสัตถ์นี่สี่อย่างประการสุดท้ายก็เนี่ยเข้าใจตรงนั้นหมดแล้วเนี่ยเอามาเดินเลยเอามาเดินธอรมัทานเดินเลยก็ว่ากันเดินอานาปานนะเดินสติปัฏฐานเดินพุทธคุณเนี่ยก็เลึกอยเลื่อยเลื่อย อัตาธรรมะปราโกดิปราโมดิปิปสัสสิสุสมาธิเกิดอีกเดินยานปัญญาแทงตลอดนี่5อย่างจะบรรลุสายไหนก็เลือกเอาทำทุกสายทำให้ทุกสายไม่ได้เป็นปัจจัยในการแทงตัอดพอมองเห็นไหมเห็นไหมเห็นใช่หมันเป็นอย่างนี้นนั่นต้องมีจุดหมายที่ชัดไม่ใช่ว่า พุทธศาสนาไม่ได้สเปดสปายสอนชัดมีจุดหมายเดียวคือวิมุตมีรถเดียวเหมือนทะเลมีรถเดียวคือเข็มในศาสนาก็มีรถเดียวคือวิมุตคือความหลุดพ้น